ครับผมขอการยาบเรียนถามท่านอาจารย์ครับคือได้เคยมีครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านได้เคยกล่าวว่าถ้ามนุษย์คนเราเนี่ยทำคำตะคุณขดคุณงามความดีนะครับพระพุทธเจ้าท่านจะดูแลเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดูจะส่งเสริมและดูแลเราแล้วก็เทวดาอารักษรักขาคนที่ทำดี ในทางพิศสนานี่มีข้อได้จริงยังไงครับขอกลับเรียนท่านอาจารย์ครับเออคําว่าพระพุทธเจ้าดูแลต้องเข้าใจนะตอนนี้พระพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยด้วยขันธปรินิพพานแล้วแต่พระพุทธเจ้านั้นจักดูแลผู้ที่ประพฤติทำกุศลกรรมมาบทสิที่สัตว์ทั้งหลายทํานี้เป็นสุจริตกรรมสุจริตกรรมเนี่ยจะรักษากระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ตกอบายภูมิก็หมายความว่าไม่ตกไปในที่ชั่วคือไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายแล้วก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นคนบ้าใบา้บอดหนวกทั้งหลายแต่ท่านผู้นั้นตั้งอัธยาศัยถูกตัวกุศลกรรมนั้นจะประคับประคองกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นให้เป็นปัจจัยแก่การประพฤติปฏิบัติและเป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากวัฏฏทุกข์เป็นต้นไดน้ทีนี้มาพูดอีกมุมหนึ่งคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้กับเทวดาต้องแยก ชาวพุทธเนี่ยนะชาวพุทธนั้นต้องพยายามขจัดคําว่าศักดิ์สิทธิ์ออกให้ได้ให้มากเพราะคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไปมองว่าเป็นสิ่งลี้ลับไปไปมามาจะเป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดไปนะต้องระวังว่าพุทธศาสนากับไส ย, ยศาสตร์เนี่ยคนละอย่างกันทีนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้หลายๆท่านก็ศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยบางทีตอบไม่เคลียร์เนี่ยนะก็เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะมีคนถามอาตมาบอกว่า การทํานายทายทักมีอยู่ในคําสอนของพุทธเจ้าหรือไม่มันก็ต้องตอบการตามตรงเลยว่าไม่มีเหตุผลไม่มีแล้วตอนที่พระบรมศาสดาจักประสูิใหม่ๆนั้นมีพราหมณ์ทำนายลักษณะของพระมหาบุรุษเนี่ยและทํานายบอกว่าถ้าอยู่คลองเป็นคารวาสจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิออกบวชจะเป็นพระสามมาสอนพุทธเจ้าแล้วนั้นคืออะไรก็ต้องตอบตรงนี้เลยว่าคมภีร์นั้นคําสอนเกี่ยวในเรื่องของมหาปริศลขนาเนีย ที่สอนเข้าไว้บอกเข้าไว้ น, นั่นเน่เป็นคำพีเป็นการสอนของพรหมนะพรหมในชั้นสุดทาวาด้านน่ะเอาลักษณะมหาปุริสรักษณะของพระเจ้านั้นน่ะมามาบอกไปไว้ในโอใส่ไว้ในไหนมาใส่ไว้ในคำพีของพรามส่วนหนึ่งแค่ส่วนผลแต่ไม่บอกเหตุ ว่าทำไมพระบรมศาสดาจึงมีพระเนตรอย่างนี้มีพระนาศิกอย่างนี้มีพระเมารีอย่างนี้มีพระโอดมีพระลำพระสอมีพระชงมีพระพาหาเป็นต้นแบบนี้ไม่ได้บอกเขตเขาไว้เพียงบอกผลว่าลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของมหาบุรุษถ้าอยู่ของคารวะจะได้เป็นจกักรพรรดิดีล่าถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้บอกอีกแค่นั้นเอง ฉะนั้นเพื่อเป็นที่พรมเามาแทรกเอาไว้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยให้คนได้รู้ว่านี่ไงมหาบุรุษเอกของโลกแต่ไม่ได้บอกเหตแต่เพราะ ร, ราะุพเพราะบรมศาสดาได้ตัดรู้แล้วพรอบรมศาสดาก็สอนลักษณะสูรลักษณะของพระมหาบุรุษมาจากกรรมอะไรก็สอนทั้งหมดเลยในทีคณิกายปฏิการทีนี้ถ้าในชั้นของตําราที่พูดถึงในเรื่องของหมอดูอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องแยกออกนะ พอพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนก็มองว่าปาฏิหาริย์นะนะแต่ถ้าถามเมื่อกี้โยมทีถามวมาบอกว่าแล้วเทวดาอำนาจของเทวดามีจริงเขาต้องกว่าจริ ง, รงเทวดามีสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกับกลุ่มที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ากลุ่มที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้ากลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นคอยรังควานคอยขัดขวาง บริษัทของพระุทธเจ้าและขัดขวางพระุทธเจ้าโดยซ้าไปฉะนั้นการจะเชื่อเทวดาก็ต้องตั้งหลักให้ถูกนะว่าโดยฐานะเทวดาท่านในเทวตานุสติท่านไม่เชื่อเทวดามุมนั้นท่านในเชื่อในฐานะคุณธรรมที่ทําให้เกิดเป็นเทวดาคืออะไรก็พูดถึงในเรื่องของฮิลิโอตปะพูดในเรื่องของศรัทธาศีลสุตะจาฆะปัญญาเป็นต้นคุณธรรมที่มนุษย์ทำแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ได้เป็น เทวดาทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องให้ชัดเจนลงนื้อเ น, นะนะืฉะนั้นถ้าหากว่าเราชาวพุทธต้องต้องเข้าใจคําสอนให้ชัดแล้วอย่าถือมงคลตื่นข่าวให้เชื่อกรรมอย่าเชื่อมงคลคําว่าอย่าเชื่อมงคลก็คือให้เป็นไปกับเหตุผลของปัญญาแต่เมื่อสังคมไทยเนี่ยมีการยึดโยงกันหลายๆศาสตร์อย่างนี้นีก็ต้องบอกให้เป็นอุบายได้ แต่อย่าเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงมัวเมาให้เป็นอุบายในการที่จะดึงคนเข้าสู่พระพุทธศาสนาแต่ปัญหาอยู่ว่าอย่าไปสอนให้เขาติดแล้วก็ลุ่มหลงแล้วก็งมงายและไม่สามารถจะเดินออกจากความลุ่มหลงมัวเมาตรงนั้นได้ก็เลยเป็นปัจจัยทําให้ชาวพุทธนั้นไม่พัฒนาศักยภาพของปัญญาและความรู้ความเข้าใจในคําสอนอย่างแท้จริง ถ้าหากว่าพัฒนาได้พัฒนาศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะเรื่องกรรมและผลของกรรมชาวพุทธต้องชัดพระเจ้าขับเน้นมากว่าชาวพุทธต้องไม่เป็นประเภทมงคลตื่นข่าวก็คือต้องเชื่อกรรมกรรมนั้นมีสองส่วนคืออดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมอดีตกรรมนั้นทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราจะนอนคอยร อ, รอคอยอดีตกรรม อย่างนั้นเขาเรียกไม่ฉลาดในการประกอบปัจจุบันกรรมพุทธเจ้าก็จะสอนใน2 ส, ส่วนส่วนทั้งสอนทั้งอดีตกรรมและปัจจุบันกรรมใหเใ้เข้าใจคำสอนในรายละเอียดในสูตรนี้พระองค์ก็สอนไว้มากนะสอนในเรื่องของ อ, อกลุ่มที่เชื่อกรรมในอดีตอย่างเดียวเป็นอย่างไรต้องเสียหายอย่างไรต้องยอมจำนวนต่อรอคอยกรรมในอดีตจอนอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อการดนบนการดนดานการบันดาล ของผู้เป็นใหญ่กลุ่มนี้ก็รอคอยให้ให้กลุ่มคนดนบันดาลเลิกช่วยก็ไม่ขวนขวายในปัจจุบันก็พลาดชนิด ก, กลุ่มหนึ่งเสียหายปฏิเสธเหตุทั้งอดีตและเหตุทั้งปัจจุบันด้วยอันนี้เป็นพวกกลุ่มอเยตุ ก, กะวาทะไป น, นี่ก็เสียหายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระชาติสอนทั้งอดีตกรรมและก็ปัจจุบันกรรมว่าการทําดีในอดีตทําให้เราได้ดีในปัจจุบัน แต่เราต้องขวนขวายให้ถูกในปัจจุบันเป็นการสร้างเหตุในปัจจุบันให้ถูกเพื่อผลที่ดีงามในการต่อไปอันนี้คงจะตอบได้พอใะ่ไหมพอ